ที่ชื่อว่าเป็นบทได้แก่กล่าวเป็นบทกล่าวเป็นอนุบทกล่าวเป็นอนุอัคระกล่าวเป็นอนุพยัญชนะที่ชื่อว่ากล่าวเป็นบทคือภิกษุกับอนุปสมบันเริ่มสวดพร้อมกันจบลงพร้อมกันที่ชื่อว่ากล่าวเป็นอนุบทคือเริ่มสวดแยกกันแต่จบลงพร้อมกันที่ชื่อว่ากล่าวเป็นอนุอัคระคือเมื่อภิกษุสอนว่า รูปังอนิจจังแต่อนุประสมบัสนสวดพร้อมกันว่ารูแล้วหยุดที่ชื่อว่ากล่าวเป็นอนุพยัญชนะคือภิสูจสอนให้ว่ารูปังอนิจจังแต่อนุปปัสมบันเปล่งเสียงรับพร้องกันว่าเวทนาอนิจจานบทอนุบทอนุอครอนุพยัญชนะทั้งหมดนี้ชื่อว่าธรรมเป็นบทบทที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธภาษิตสาวกภาษิตโิยสีภาษ ค ำ, คำว่าสอนให้กล่าวคือสอนให้กล่าวเป็นบทๆต้องอบัติปาจิตตีทุกๆบทสอนให้กล่าวเป็นอักษร อ, อักษรต้องอบัตติปาจิตตีทุกๆอักษร